จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่23ธันวาคมพุทธศักราช2555ก็เป็นสองวันแล้วที่วันสิ้นโลกได้ผ่านไปถ้าพวกเรามีความตื่นตระหนกหวาดกลัว ก็แสดงว่าพวกเราเป็นเหมือนกระตายตื่นตนูไม่ได้ฟังด้วยเหตุด้วยผลตามที่พระเจ้าได้ทรงสอนให้ฟังเวลาได้ยินได้ฟังอะไรไม่ว่าจะเป็นใครพูดก็ตางถ้ายังไม่เห็นกับตาอย่าพึ่งไปเชื่อแต่ก็ไม่ให้ไปปฏิเสธให้ออกไปพิสูจน์ดูว่าเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่า ไม่ใช่ใครพูดอะไรถ้าชอบใจก็เชื่อถ้าใครพูดอะไรไม่ชอบใจก็ไม่เชื่ออย่างนี้ไม่ใช่เป็นวิสัยของคนฉลาดคนฉลาดจะฟังทั้งสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบฟังแล้วก็ไม่ปฏิเสธแต่ก็ไม่เชื่อทันทีทันใดต้องเอาไปพิสูจน์ดูก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจริงหรือไม่ นี่คือหลักของการฟังถ้าเราไม่ฟังอย่างนี้เราก็จะเป็นเหยื่อของผู้อื่นที่เขารู้ว่าพวกเรานั้นมีความกลัวอยู่ในใจเราเขามักจะเอาเรื่องมาหลอกให้เรากลัวแล้วเขาก็จะมีอะไรมาล่อให้เราต้องจ่ายเงินเสียเงินเพื่อแก้ความกลัวต่างๆถ้าเราถ้าเราเป็นอย่างนี้เราก็จะเป็นเหยื่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรา เป็นพระพุทธเป็นพุทธศาสนกชนจริงแท้จริงแล้วเราจะมีธรรมะเป็นที่พึ่งของเราเราจะเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไม่ให้เชื่อไม่ให้หวาดกลัววิตกกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงสอนให้เรารู้ความจริงของสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน มีเกิดต้องมีดับด้วยกันทั้งนั้นโลกนี้ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องดับไปตามสภาพของมันเหมือนไฟที่มันไหม้ฟืนหมดแล้วไฟมันก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาไฟดวงใหญ่ที่พวกเราใช้อาศัยให้ความอบ อ, อุ่นกับพวกเราก็คือพระอาทิตย์นี่เองพระอาทิตย์นี่ก็เป็นเหมือนกองไฟกองใหญ่ ฟืนที่ไม่อยู่นั้นมันก็ต้องมีสักวันนึงที่จะต้องหมดไปพอหมดฟืนแล้วผ้าอาทิตย์ก็จะต้องดับไปเมื่อผ้าอาทิตย์ดับไปแล้วโลกนี้ก็จะต้องหนาวตายกันไปหมดเพราะไม่มีแสงอาทิตย์มาให้ความอบอุ่นแต่สิ่งที่ตายนี้มันก็ไม่ใช่ตัวเราพวกเราไม่รู้กันอันนี้ทจึงทำให้พวกเราหวาดกลัวหวาดวิตกกัน S <S เราไม่รู้ว่าตัวเราเป็นอะไรกันแน่เราคิดว่าตัวเราเป็นร่างกายร่างกายต้องอาศัยโลกนี้อยู่ถ้าไม่มีโลกนี้ร่างกายก็อยู่ไม่ได้ถ้าโลกนี้ไม่มีแสงอาทิตย์ไม่มีความอบอุ่นไม่มีความร้อนก็อยู่ไม่ได้สิ่งที่อยู่ไม่ได้นี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงบ้านที่เรามาอาศัยอยู่ชั่วคราวร่างกายนี้เป็นเพียงบ้าน ที่ใจคือผู้รู้ผู้คิดนี้มาอาศัยใช้เป็นที่อยู่อาศัยใช้เป็นลูกน้องไว้สาหรับทาอะไรต่างๆใจเรานี่แหละเป็นตัวเราผู้ที่กำลังรู้ผู้ที่กำลังคิดอยู่นี้คือใจมาได้น่างกายมา <c oughs> มารวมกันกับร่างกายก็ตอนที่พ่อแม่มีการผสมพันธ์กัน พอมีเชื้อของพ่อของแม่มารวมกันใจที่เป็นดวงวิญญาณที่ไม่มีร่างกายเพราะร่างกายเก่าได้ตายไปแล้วก็มาหาร่างกายอันใหม่ก็มาได้ร่างกายที่ตั้งอยู่กําลังจ ะ, จะเจริญเติบโตในท้องแม่แล้วพอหลังจากนั้นเก้าเดือนร่างกายนี้ก็ถูกคลอดออกมา จากนั้นก็ต้องมีดินน้ำลมไฟเติมอยู่เรื่อยๆดินก็คืออาหารที่เรารับประทานนี่แหละดินน้ำลมไฟก็เป็นพวกอาหารต่างๆว่าพวกอาหารต่างๆก็ต้องมีดินน้ำลมไฟถึงจะเกิดขึ้นมาได้เช่นต้นข้าวก็ต้องมีดินมีนม้ำมีลมมีไฟผักปลาอะไรต่างๆก็เช่นเดียวกันเมื่อเรารับประทานสิ่งเหล่านี้เข้าไปในร่างกาย มันก็ไปเปลี่ยนเป็นอาการสาสองเปลี่ยนเป็นขมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเอ็นกระดูกเป็นอะไรต่างๆนี่คือร่างกายมาจากธาตุสี่ดินน้ําลงไฟแล้วก็จะต้องกลับคืนสู่ดินน้ําลงไฟอันนี้เป็นความจริงพวกเรากลับไม่เชื่อกันกับไม่สนใจกันพอมีใครมาบอกว่าวันที่นั้นวันที่นี้ โลกจะดับโลกจะสิ้นก็เชื่อกันตื่นตระหนกกันแต่ถ้าเราเชื่อพระพุทเจ้าแล้วเราจะไม่ต้องตื่นตระหนกหวาดกลัวเพราะเราจะรู้ว่าโลกนี้ถึงแม้มันจะดับมันก็ไม่สามารถที่จะมาดับตัวเราได้ร่างกายนี้ถึงแม้ว่ามันจะตายมันก็ไม่สามารถมาดับใจของเราได้ใจของเราเป็นธรรมชาติที่ไม่ดับ และไม่ได้อยู่ในโลกนี้เพียงแต่มีการเชื่อมต่อระหว่างกันเหมือนโทรศัพท์มือถือสองเครื่องที่เชื่อมต่อกันแต่ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันคนหนึ่งอยู่เชียงใหม่คนหนึ่งอยู่พัทยาก็สามารถติดต่อกันได้สั่งงานกันได้สั่งให้ลูกน้องทำอะไรได้ฉันใดใจกับร่างกายก็เป็นเหมือนโทรศัพท์สองเครื่อง เพียงแต่แว่าเครื่องหนึ่งนี้สั่งการไม่ได้มีแต่รับอย่างเดียวร่างกายนี้สั่งใจไม่ได้ใจเป็นผู้สั่งร่างกายและใจนี้แหละเป็นผู้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องหวาดกลัวกับสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีการเกิดและมีการดับไปเป็นธรรมดา ถ้าพวกเราศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆพวกเราจะจะรู้ว่าไม่มีอะไรต้องน่าหวาดกลัวแต่อย่างใดเพราะเราไม่มีวันที่จะสูญไม่มีวันที่จะดับไปได้แต่สิ่งที่น่าหวาดกลัวก็คือความโง่เขลาของพวกเรานั่นเองเพราะความโง่เขลานี้จะทําให้เราหวาดกลัวขึ้นมาจะทําให้เราทุกข์ขึ้นมาเพราะเราไป เห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเรานั่นเองนี่แหละความความสำคัญของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้อย่งที่อยู่ตรงที่สอนให้เรารู้จักความจริงเมื่อเรารู้จักความจริงแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆทุกข์กับการดับทุกข์กับการสิ้นของสิ่งต่างๆ เพราะว่าเราไม่ได้ดับเราไม่ได้สิ้นไปกับเขาและเราก็ไม่ต้องอาศัยเขามาให้ความสุขกับเราใจนี้มีความสุขอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วเขาไม่ต้องมีอะไรเขาก็มีความสุขได้แต่ความหลงหลอกให้เขาอยากให้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็หลงไปคิดว่าถ้าได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้คนนั้นคนนี้มาแล้ว จะให้ความสุขกับเขาแต่ความจริงความสุขของใจที่แท้จริงนี้อยู่ที่ไม่ต้องอยู่ที่การไม่มีอะไรเพราะการมีอะไรนี้แทนที่จะเป็นความสุขกลับจะเป็นความทุกข์มากกว่าเพราะสิ่งต่างๆที่เราได้มาที่เรารักเราชอบมันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดนั่นเองมันมีการเจริญและต้องก็มีการเสื่อมหมดไป ถ้าเราไปหลงรักเขาไปหลงชอบเขาเวลาเขาจากเราไปเราก็จะเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเราไม่ไปหลงรักเขาไม่ชอบเขาเวลาเขาจากเราไปเราจะไม่รู้สึกอะไรดังนั้นเราจึงต้องสอนตัวเราสอนใจของเราอยู่เรื่อยๆว่าเราไม่ใช่เป็นสิ่งต่างๆในโลกนี้สิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ใช่เป็นของเรา ไม่ใช่เป็นตัวเราเราเป็นใจใจนี้เป็นมนุษย์ล่องหนคือใจนี้ไม่มีรูปไม่มีร่างเมื่อไม่มีรูปไม่มีร่างมันก็ไม่มีอะไรที่จะทำลายสิ่งที่ไม่มีรูปไม่มีร่างได้นี่คือความจริงที่พวกเราควรจะศึกษาและควรจะสอนใจของเราแล้วก็พยายามทำใจให้ ให้เป็นไปตามที่เรารู้ให้ได้ตอนนี้เราได้ยินได้ฟังแล้วว่าทุกสิ่งทุก อ, อย่างในโลกนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราตอนนี้เราต้องมาถอดความยึดติดถอดความหลงที่ยังยึดติดอยู่ทั้งๆที่เราได้ยินได้ฟังแต่การได้ยินได้ฟังได้รู้นี้มันไม่พอเราต้องเอาไปปฏิบัติต่อ เราต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนถ้าเราทำตามได้แล้วเราก็จะสามารถาปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆทั้งหลายได้ตอนนี้ถึงแม้ว่าเรารู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเร า, เาข้าวของเงินทองสิ่งของต่างๆนั่นไม่ใช่ของเราแต่เราก็ยัง ปล่อยวางไม่ได้เพราะเราไม่มีกำลังที่จะไปสู้กับอุปทานความยึดติดนั่นเองเราต้องหาน้ำมาละลายอุปทานที่เป็นเหมือนกาวกาวนี้เวลายึดติดกับไรนี้ถ้าเราใช้น้ำเข้าไปละลายมันก็จะหลุดออกมาได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะ ถอดใจของเราดึงใจของเราให้ออกจากการยึดติดกับสิ่งต่างๆยึดติดกับร่างกายของเราเราก็ต้องปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าวิธีที่เราจะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของเราในทรัพสมบัติเข้าของเงินทองในสิน่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้ เราต้องทำที่ตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนคือหนึ่งให้สละทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปให้ได้เรามีเงินทองมากเกินไปไม่จาเป็นจะต้องมีเก็บเอาไว้ก็อย่ากเก็บเอาไว้ให้สละมันไปอย่าหวงอย่าไปยึดติดเพราะความหวงความยึดติดนี้จะทำให้เราทุกข์ทรมานใจ ถ้าเราไม่หวงไม่ยึดติดหรือไม่มีเงินทองแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องเงินเรื่องทองเช่นเดียวกับทรัพย์สมบัติข้าของต่างๆเราต้องสละไปให้หมดให้ได้รวมทั้งคนทั้งหลายที่เรารู้จักมกคุ้นหรือเกี่ยวข้องกันเป็นญาติกันเป็นสามีเป็นภรรยากันเป็นพ่อเป็นแม่กันเป็นบุตรเป็นที่ดากันเราต้องตัด ใจของเราออกจากเขาให้ได้แต่การตัดใจนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะตัดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเราก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันยังดูแลกันยังรักกันเหมือนเดิมแต่เราจะไม่ยึดติดกับเขาคือเราพร้อมที่จะให้เขาจากเราไปหรือเราพร้อมที่จะต้องจากเขาไปอันนี้คืออุปทานที่เราต้องการจะตัด แต่เรื่องการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นภรรยาเป็นสามีนี้ยังมีอยู่เหมือนเดิมยังดูแลกันเหมือนเดิมตามกำลังตามฐานะแต่ใจของเรานี้ต้องปล่อยต้องรู้ว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องจากเขาไปหรือไม่ฉะนนั้นเขาก็จะต้องจากเราไปถ้าเราทำใจได้แล้ว เวลาเกิดการพัาดพลาดจากกันใจของเราจะไม่มีความทุกข์ใจของเราจะอยู่อย่างมีความสุขเราจะไม่ห่วงไม่กังวลไม่วิตกเวลาไม่เห็นหน้ากันก็จะไม่เดือดร้อนไม่เห็นก็ไม่เห็นถ้าไม่กลับมาก็ไม่กลับมาก็เท่านั้นเองเราไปทุกข์มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริง ถ้าเขาไม่กลับมาเราทุกไปร้องห่มร้องไห้ไปจนวันตายเขาก็ไม่กลับมาอยู่ดีเราไปห่วงอย่างไรถ้าเขาไม่กลับมาเขาก็ไม่กลับมาอยู่ดีถ้าเราไปถ้าเขาจะกลับมาเขาก็กลับมาเป็นเรื่องของความจริงที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เราอย่าไปทุก์ให้เสียเวลาไม่เกิดประโยชน์เลย ทำให้เราทุกไปเปล่ า, าแล้วก็จะอยู่อย่างไม่มีความสุขเพราะเรามีความหลงเรามีอุปทานความยึดติดอยู่กับสิ่งต่างๆนั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามาทําทานกันทําทานก็คือให้ของที่เป็นของเราของที่ไม่ใช่ของเรานี้ไม่ถือว่าเป็นทานต้องให้ที่ของที่เป็นของเรา ถึงจะเรียกว่าเป็นทานเช่นเราไปเอาเงินของคนอื่นมาทําบุญมาให้ทานนี้อันนี้ไม่ได้เป็นทานเพราะว่าเราไม่ได้ตัดความยึดติดถ้าเราจะให้ต้องให้เป็นของของเราอย่าไปเอาของคนอื่นมาให้อย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์ไม่ได้เป็นหลักของการให้เพราะเราต้องการตัดความยึดติดตัดความโลภอยากได้สิ่งต่างๆ พราะความโลภนี่ก็จะทำให้เราเกิดความทุกข์ใจเวลาเราโลภอยากได้อะไรนี้ใจของเราจะกัวลกวายการสับกระสากินไม่ได้นอนไม่หลับจนกว่าจะได้สิ่งที่อยากได้มาหรือถ้าไม่ได้ก็ต้องเกิดความเสีย อ, อกเสียใจเกิดความโกรธความเกลียดแค้นขึ้นมาได้นี่คือสิ่งที่เป็นโทษเป็นพิษกับใจของเรา ทุกวันนี้ที่เราทุกข์ก็ทุกข์เพราะความโลภทุกข์เพราะความหวงทุกข์เพราะความห่วงทุกข์เพราะความเสียดายเพราะความยึดติดความผูกพันนั่นเองเราต้องตัดสิ่งเหล่านี้ไปออกจากใจของเราถ้าเราอยากจะอยู่อย่างมีความสุขความสุขของใจนี้ไม่ได้อยู่จากการที่มีอะไรมากๆ ยิ่งได้มามากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความผูกพันมากขึ้นไปเท่านั้นก็จะมีความทุกข์มากขึ้นไปพระพุทธเจ้าทรงเห็นด้วยปัญญาตอนที่พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะทรงเห็นพระทัยของพระ อ, องค์ว่ามีแต่ความห่วงมีแต่ความหวงกับทรัพย์สมบัติของพระ อ, องค์เองจึงทรงเห็นว่าการมีทรัพย์สมบัติมากๆนี้ไม่ได้เป็น ผลดีต่อใจแต่อย่างใดแทนที่จะให้ความสุขกับให้ความทุกข์ให้ความกังวลให้ความหวาดกลัวแก่ใจเพราะไม่อยากจะจากสิ่งเหล่านี้ไปนั่นเองเพระองค์จึงต้องตัดสินพระทยัยตัดสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่นี้ด้วยการสละราชสมบัติจะเด็จออกจากพระราชวังไปโดยไม่เอาอะไรติดตัวไปเลย แล้วก็ไปอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสมถะเรียบง่ายทาใจไม่ให้ไปยึดไปติดไม่ให้ไปอยากได้สิ่งต่างๆพอชนะความอยากความยึดติดได้แล้วพระทยของพระองค์ก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายไม่ทุกกับเรื่องอะไรแล้วไม่ว่าใครจะอยู่ใครจะตายไม่เดือดร้อนแล้ว ไม่ว่าใครจะทำอะไรดีหรือชั่วก็ไม่เดือดร้อนแล้วเพราะใจไม่ได้ไปผูกติดกับผู้อื่นแล้วผู้อื่นเขาจะดีก็เรื่องของเขาผู้อื่นเขาจะชั่วก็เรื่องของเขาผู้อื่นจะอยู่ก็เรื่องของเขาผู้อื่นจะตายก็เรื่องของเขาเราไม่ได้อะไรจากการไปดีอกดีใจกับเรื่องของคนอื่น มีจะทำให้เราจิตใจของเราแกว่งไปแกว่งมาระหว่างความดีใจกับความเสียใจถ้าเราเฉยๆใจของเราก็จะอยู่ตรงกลางเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาที่ไม่แกว่งแล้วถ้าลูกถ้าไม่แกว่งใจเราไม่แกว่งใจเราจะสงบใจเราจะมีความสุขแต่ถ้าใจเราแกว่งใจเราจะทุกข์ทันที ถ้าเรายินดีเราก็จะทุกข์เพราะเราอยากจะให้สิ่งที่เรายินดีอยู่กับเราไปนานๆาถ้าเราเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ทุกข์เพราะเราอยากจะให้เขาหายไปเร็วๆไม่อยากจะเห็นหน้ากันไม่อยากจะอยู่ใกล้กันแต่ถ้ายังต้องเห็นหน้ากันอยู่ใกล้กันใจของเราก็จะต้องทุกข์นี่คือปัญหาของใจของพวกเราคือไม่รู้จักปล่อยวาง ไม่รู้จักทำใจให้เป็นอุเบกขาเพราะเราไม่มีเครื่องมือนั่นเองเครื่องมือที่จะทำให้เรามีอุเบกขาทำใจให้เราปล่อยวางได้ก็คือสติสมาธิและปัญญาการที่จะมีสติสมาธิและปัญญาได้เราต้องอยู่คนเดียวต้องอยู่ห่างไกลจากเหตุการณ์ต่างๆงเหมือนกับนักบวชทั้งหลาย เช่นพระพุทธเจ้าของเราหลังจากเสด็จออกจากพระราชวังแล้วพระองค์ก็จะมีเวลาเจริญสตินั่งสมาธิและเจริญปัญญาได้ถ้าอยู่ในพระราชวังก็จะมีภารกิจต่างๆมีเหตุการณ์ต่างๆมีเรื่องราวต่างๆมาคอยรบกวนใจจนทำให้ไม่สามารถเจริญสติได้ พระพุทธเจ้าจึงต้องสละราชสมบัติถ้าพวกเราอยากที่จะมีใจที่สงบไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆพวกเราก็ต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเอ ง, งินทองแล้วก็ไปบวชกันแล้ อ, อยู่แบบนักบวชก็ได้คือไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับภารกิจอย่างอื่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับภารกิจทางสังคม ไม่เข้าสังคมไม่ไปงานแต่งงานไม่ไปงานศพไม่ไปงานบวชไม่ไปงานอะไรของใครทั้งนั้นอยู่แบบนักบวชเก็บตัวอยู่ตามลำพังเพื่อที่จะเจริญสติการเจริญสตินี้ก็คือการควบคุมความคิดของเรานี่เองไม่ให้ใจของเราคิดเลื่อยเปื่อยไม่ให้คิดฟุง้งซ่านไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ เพาเวลาคิดแล้วจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาจะเกิดอารมณ์ดีบ้างอารมณ์ไม่ดีบ้างจะเกิดความโลภความอยากขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เราต้องไปแสวงหาสิ่งต่างๆที่เราโลภเราอยากได้ก็จะต้องไปพบกับคนนั้นคนนี้พบกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็พบกับปัญหาต่างๆที่ไม่มีวันสิ้นสุด ดาบใดที่เราไม่สามารถควบคุมความคิดความอยากของเราได้แต่ถ้าเรามีสติคอยควบคุมอยู่เรื่อยๆเราก็จะสามารถเก็บตัวของเราอยู่ในบ้านได้อยู่ในวัดได้ใจเมื่อไม่มีความโลภมันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทําตามความโลภนั่นเองแต่ถ้าเผลอเมื่อไหร่ปล่อยให้ใจคิดถึงความโลภความอยากเมื่อไหร่ เดี๋ยวก็อยู่ไม่ได้ต้องหาเรื่องออกไปจนได้บางทีก็หาเรื่องอื่นมาเป็นข้ออ้างก็มีเพราะละอายใจของตัวเองว่าไปทำตามความอยากก็เลยอ้างว่าไปเยี่ยมคนนั้นบ้างเยี่ยมคนนี้บ้างไม่ต้องไปเยี่ยมเขาหรอกชีวิตของเขาเราไปเยี่ยมหรือไม่เยี่ยมมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากนะเขาก็อยู่ของเขาได้ เราตายไปเขาก็อยู่ของเขาได้เราไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเราควรที่จะมายุ่งกับเรื่องของเราเพราะปัญหาของเรานี้ไม่มีใครแก้ให้เราได้ปัญหาของเรานี้ไม่มีใครมามาช่วยเราได้มันเรื่องของอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนปัญหาใจนี้เป็นปัญหาของเราความทุกข์ใจความไม่สบายใจ ความหวาดกลัวต่างๆเหล่านี้เป็นปัญหาของเราที่เกิดจากความโง่ของเราเท่านั้นเองไม่ใช่เกิดจากอะไรเกิดจากความหลงที่ไปหลงคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราพอเราหลงแล้วเราก็อยากจะให้สิ่งที่เป็นของเราอยู่กับเราไป น, นานๆเราก็เลยต้องวุ่นวายต่อการดูแลรักษาสิ่งต่างๆ รักษาอย่างไรก็รักษาไม่ได้พอถึงเวลาร่างกายนี้ตายไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาในโลกนี้ก็หมดไปนี่คือปัญหาของพวกเราที่เราจะต้องมาแก้ด้วยตัวของเราเองและต้องอยู่ตามลำพังอยู่ในที่สงบอยู่ในที่ห่างไกลาจากเรื่องวุ่นวายต่างๆห่างไกลาจากคนที่เรารู้จัก ถ้าเราอยู่ใกล้กับคนรู้จักเดี๋ยวเขาก็มาหาเราเมื่อมาหาเราเขาก็เอาเรื่องคนนั้นคนนี้มาเล่าให้เราฟังเมื่อเรายังพอเราไปได้ยินเข้าเราก็อดที่จะเกิดความห่วงใยเกิเขาไม่ได้เดี๋ยวก็ทำให้เราต้องลาสิกขาไปต้องออกจากวัดไปต้องออกไปดูแลเขาไปช่วยเหลือเขาความจริงคนทุกคนนี่ช่วยและ ช่วยตัวเองกันได้ทั้งนั้นถ้าช่วยไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเวลาที่เขาจะต้องตายแล้วดังนั้นเราไม่ต้องไปช่วยใครถ้าไม่จำเป็นจริงๆยกเว้นในกรณีที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นเด็กยังไม่สามารถพึ่งตัวเองได้ตอนนั้นเรายังต้องดูแลกันไปก่อนแต่ถ้าเขาโตแล้วช่วยตัวเขาเองได้แล้วเราอย่าไปกังวลกับเขา ทำไมเช่นนั้นเราจะไม่มีเวลาที่จะมาแก้ปัญหาของเราได้แล้วเวลาอันมีค่าของเราก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราตายไปแล้วเราก็จะหมดโอกาสอันดีเพราะชาตินี้เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรารู้จักวิธีแก้ปัญหาของเรา ถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาเราจะไม่มีวันรู้จักวิธีแก้ปัญหาของเราได้เราก็จะแก้ปัญหาอย่างที่เราแก้กันอยู่ทุกวันนี้คือเวลาไม่สบายใจแทนที่จะมาแก้ที่ใจก็ไปแก้ในสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายใจเห็นใครเขาทำอะไรไม่ดีก็ไปแก้เขาพยายามไปทำให้ให้เขาทำให้ถูกใจเราให้ได้อันนี้แก้ไปจนวันตายก็ไม่มีวันสิ้นสุด เราจะต้องมีคนที่เขาทำให้เราไม่ถูกใจอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราแก้ที่ใจของเราคือแก้ที่ความอยากของเราเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเราเปลี่ยนใจซะว่าเขาจะเป็นอย่างไรก็เรื่องของเขาเราก็ไม่ต้องไปแก้เขาแล้วแล้วเราก็แก้ปัญหาของใจเราได้พอเราไม่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจของเราก็จะสบายสงบ ไม่เดือดร้อนเขาจะเดินจะยืนจะวิ่งหรือจะทําอะไรนั้นมันเป็นเรื่องของเขาเราไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราอยากให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้พอเขาไม่ทําเราก็จะเดือดร้อนเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทีนี้เรายังไม่สามารถที่สั่งใจของเราให้หยุดความอยากได้เพราะเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญานั่นเองเราจึงต้องมา ปฏิบัติธรรมกันมาเจริญสติมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญานี่คืองานของเรานี่คือหน้าที่ของเราที่แท้จริงถ้าเราไม่ทำงานนี้งานปัญหานี้ก็จะไม่มีวันสิ้นสุดไปเรามีปัญหานี้ติดตัวกับเรามาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติแล้วแล้วก็จะมีปัญหาอย่างนี้ติดตัวกับเราต่อไปอีกไม่มีวันหมดสิ้น ถ้าเราไม่แก้ปัญหานี้ด้วยตัวเราเองเพราะพุทธเจ้าก็แก้ให้เราไม่ได้พระสาวกทั้งหลายก็แก้ให้เราไม่ได้ท่านเพียงแต่ช่วยสอนบอกวิธีให้กับพวกเราได้เท่านั้นเองดังนั้นตอนนี้เรามีวาสนามีบุญที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับวิธีที่จะแก้ปัญหาแก้ความทุกข์ใจของเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปได้ ภายในชาตินี้เลยเราจึงควรที่จะพุ่งเป้าไปที่การแก้ปัญหานี้อย่าไปหลงกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้มันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความทุกข์มากกว่าเพียงแต่ความหลงของเราทำให้เรามองไม่เห็นเท่านั้นเองคนฉลาดนี้เขาจะเห็นว่าโลกนี้เป็นโลกของความทุกข์ เพราะโลกนี้มีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีความพัดผ่าจากกันอยู่ตลอดเวลาคนฉลาดก็จะไม่หลงกับความสุขเล็กๆน้อยๆที่ได้จากโลกนี้เพราะว่ามันไม่คุ้มกับความทุกข์ที่ได้มานั่นเองคนฉลาดจึงมักจะออกไปปฏิบัติธรรมกัน จะปฏิบัติแบบไหนก็ได้จะเป็นนักบวชก็ได้หรือจะเป็นคารวะก็ได้ตราบใดถ้าเราปฏิบัติเพื่อให้เกิดสติให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาอันนี้ก็ถือว่าใช่ได้เหมือนกันในสมัยพระพุทธการมีผู้ที่ปฏิบัติทุกเพศทุกวัยเป็นผู้ที่สามารถแก้ปัญหาของตนได้มีทุกเพศทุกวัย มีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งนักบวชมีทั้งคาราชเพราะว่าการแก้ปัญหานี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องเป็นเพศนั้นเพศนี้หรือเป็นนักบวชอยู่ที่การเจริญสติสมาธิและปัญญาเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องพยายามสร้างกันขึ้นมาให้ได้ อย่าเสียเวลากับการไปหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยง ม, มันก็จะต้องให้ความทุกข์กับเราเวลาที่มันเสื่อมไปหมดไปเวลาที่มันจากเราไปขอให้เรามาหาสิ่งที่จะอยู่กับเราสิ่งที่จะช่วยทำให้เรานั้นหนุดพ้นจากความทุกข์ก็คือสติสมาธิปัญญา ถ้าเรายังไม่สามารถแก้ปัญหาของเราให้หมดสิ้นไปได้ในชาตินี้สติสมาธิและปัญญาที่เราได้เจริญได้สร้างขึ้นมานี้จะเราจะเอาติดตัวไปกับวราได้เราจะไปทํางานแก้ปัญหานี้ต่อไปได้คนที่เกิดมายึงมีความแตกต่างกันตรงที่สติสมาธิและปัญญานี้เองคนที่เคยสะสมสร้างสติสมาธิปัญญามาใน ในอดีตแล้วพอมาเกิดใหม่เขาก็จะสามารถปฏิบัติทํามได้อย่างรวดเร็วกว่าคนที่ไม่มีสติสมาธิปัญญามาก่อนดังนั้นขอให้เรามาสะสมหรือมาสร้างสิ่งที่เป็นของเราสิ่งที่จะติดตัวไปกับเราไปถ้าเรายังไม่สามารถแก้ปัญหาของเราให้หมดสิ้นไปได้ในชาตินี้เราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะ ใช้ในการแก้ปัญหาในชาติต่อๆไปได้และปัญหาของเราก็จะหมดไปได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเราไม่มีสติสมาธิปัญญาทุกครั้งที่เราไปเกิดใหม่เราก็เหมือนกับไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาแก้ปัญหาของเราเราก็ต้องเริ่มต้นที่ศูนย์ยิงขอให้ท่านทั้งหลายจงขันหน้าเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เข้ามาศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อดับความหลงต่างๆเพราะความหลงนี้เป็นเหตุที่จะทําให้เราเกิดอุปทานความยึดติดเกิดความอยากเกิดความทุกข์เกิดความหวาดกลัวต่างๆแต่ถ้าเรามีธรรมะแสงสว่างสอนเราแล้ ว, ลวเราจะไม่หลงเราจะไม่หวาดกลัวกับสิ่งต่างๆที่เกิดแลดับ เพราเรารู้ว่าเราไม่ได้เกิดดะดับไปกับสิ่งต่างๆนั่นเองจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างความรู้สร้างสติสมาธิและปัญญานี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา